การบรรยายเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกเนี่ยคงจะสนุกไม่ใช่น้อยเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องที่ทวตมาเนี่ยชอบอยู่แล้วก็ฝักใฝ่อยู่กับในสิ่งนี้เพราะทุกๆวันนี้รู้ตัวว่าเมื่อใช้ชีวิตไปในทางธุรการมากจิตหยาบจิตเริ่มจะหยาบบางครั้งก็เกิดโทสะกับบุคคลบางคนที่มันเห็นเกตุเวรเหลือเกินบางทีก็หน้ า, าโมโหแม่ไอ้มนุษย์พนิษฐ์นี้ก็มีด้วย อย่างเนี้ยแสดงว่าจิตเขาน่าไม่ดีแล้วเริ่มหยาบแล้วชักจะโกรธคนโน้นชักจะโกรธคนนี้ชักจะไม่ไหวก็ดูตัวอาศัยว่าตอนก่อนจะนอนเราได้อ่านพระไตรไปิฎกบ้างได้ค้นคว้าบ้างก็ได้กำไรตรงเนี้ยนิดๆนหน่อยๆซึ่งก็น้อยเต็มทีแต่อาศัยว่าเคยผ่านมาแล้วหลายรอบอ่านจบมาหลายตลบแล้วก็ทาให ง่ายขึ้นในการที่จะค้นคว้าหาหลักธรรมในบางข้อว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยอาตมาก็พอจะนึกออกยังไม่ลืมจะอาศัยตอนก่อนจะนอนนี่ทํางานบ้างอัดเทพทรงทางวิทยุบ้างทําให้งานทางด้านการเผยแพร่นี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรเนี่ยฉะนั้นเรื่องธุระการกับเรื่องธรรมะนี่ควรจะแยกออกจากกันใน หลักปฏิบัติสมุทรองค์ถึงได้ตรัสว่าระหว่างพระสงฆ์จะเข้าสู่การปฏิบัติก็ดีหรือสาธุชนจะเข้าสู่การปฏิบัติก็ดีต้องตัดปริพโทษกังวลต่างๆออกให้หมดเรามีอะไรเป็นปริพโทษกังวลเนี่ยควรทําให้เรียบร้อยแล้วเราจึงจะปฏิบัติได้ถ้าหากว่างานเหล่านี้ไม่เรียบร้อยไปปฏิบัติก็ไม่ได้ผล แลวผลสุดท้ายก็เสียประโยชน์ทั้งสองทางงานก็เสียผลที่เราจะปฏิบัติในทางจิตก็ไม่เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยให้สำเร็จไปเสียก่อนเวลานี้ตามา ย, ยังยังมีความกังวลใจอยู่หลายเรื่องแต่ว่าก็เบาขึ้นกว่าในระยะเริ่มแรก เบากว่าเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนี่หนักจริงๆหนักทั้งในด้านที่วัสดุตังไม่ค่อยจะมีใช้เพราะบางเดือนนี่ใช้ตางตั้งล้านกว่าบาทเดือนเดียวใช้หมดเลยโยมถวายตังไม่ทันใช้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่าอาตมาเร่งงานมากงานก่อสร้าง เ, เร่งจนกระทั่งได้สตางมาไม่ทันใช้ เพิ่งรู้เพิ่งเป็นทุกข์ว่าไอ้ไม่มีสตางค์ใช้เนี่ยมันจะเป็นทุกข์มีการจะกังวลกลัวจะไม่มีสตางค์ใช้บ้างเคกลัวว่างานมันจะไม่เรียบร้อยงานจะชะงักแต่ก็เป็นกุศลอันหนึ่งว่าทำทั้งหลายได้ช่วยประครับประคองกันมาทําให้งานเนี่ยไม่มีหยุดชะงักเลยตั้งแต่เริ่มสร้างทําทุกวันกลางคืนกท็ <c oughs> กทําก็ทําให้งานเนี่ยเสร็จเร็วขึ้น เบามาขั้นหนึ่งยังหนักอยู่อีกขั้นหนึ่งก็พระป่าแปดหมืสี่พันกองเมื่อไรจะครบก็ไม่รู้เหนี่ยหนักอยู่ตรงเนี้ยตรงที่ว่าเราจะได้นิธินี้มาหล่อเลี้ยงได้ยังไงตัวพระเมนมากขึ้นการที่รับเลี้ยงคนถึงสี่ห้าร้อยชีวิตท่านทั้งหลายลงคิดดูก็แล้วกันว่านักหรือไม่หนัก โยมบางคนบอกแม้มีลูกห้าคนก็กลุ้มใจจะตายอยู่แล้วหาเลี้ยงลูกห้าคนนี่ก็จะแย่ท่านมีลูกตั้งสี่ห้ารอยเนี่ยท่านเลี้ยงของท่านยังไง <c oughs> อาตมาบอกว่าลูกอาตมาเนี่ยเหมือนอย่างกับลูกปูปีหนึ่งก็ต้องร้อยกว่าคนออกมาทีหนึ่งเลี้ยงกันไม่ไหว <c oughs> ปีร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนแล้วต่อไปสองสามพันองค์เนี่ยเราก็ต้องรับภาระมากนี่ก็ จะเริ่มหนักอีกแล้วในปีใหม่โยงก็เริ่มทยอยส่งสกศมาให้แต่ตมานมองเห็นความทุกข์ในปีใหม่อีกแล้วพราะวันที่เก้านี้ต้องเปิดอบรมพระหน่วยพัฒนาการรุ่นที่หกอีกหกร้อยรูปเนนอีกสี่ร้อยกว่ารูปก็พันกว่ารูปพันกว่าชีวิตที่จะต้องหาเลี้ยงเขาแล้วก็ยังจะต้องเรื่องอื่นๆอีก พอไปภาคฤดูร้อนยังไม่ทราบว่าเด็กนักเรียนจะมาบวชกันอีกกี่ร้อยแล้วก็สมณเณรรุ่นที่รุ่นที่สี่จะต้องเข้ามาเณรจากตามประเทศในภาค พ, พื้นเอเชียนี่ปีหน้าก็จะให้มาสักหกประเทศก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นอีกเนี่ยเป็นภาระอันหนักฉะนั้นจึงมองเห็นทุกอยู่ว่าเราก็จะต้องเป็นทุกข์เพราะหาเลียนระกันต่อไป หาเรียงเนนต่อไปอีกเห็นถ้านจะส่งความสุขมาให้นะ่ะก็คงจะไม่ได้รับเต็มที่เพราะว่าจะทุกข์มันจะมาประดังอีกเพิ่มเยอะแยะเฉพาะขันห้าของเราเองเนี่ก็ทุกเทปแย่แล้วแล้วไปแบกขันคนอื่นอีกไม่รู้กี่หมื่นกี่พันขันท่านทั้งหลายคิดดูกันแล้ว ก, กันว่าจะทุกข์อย่างไงเพราะฉะนั้นงานอย่างนี้ไม่ใช่งานที่สบายหรอก ต่อไปโยมจะไปชมอตมาว่าบารมีมากแล้วขอให้นึกว่ากรรมมากเลย <c oughs> กกรรมมากเลยเกินแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงไอ้ครั้นจะไม่ทำหรือก็ไม่ได้ไอ้ครั้นทาไปแล้วหรือก็มันก็ต้องทำกันไปอย่างนี้จะทำแบบชนิดที่ขอไปทีหนึง่งจิตก็ไม่ไปอย่างนั้นนิสัยอตมาก็ไม่ชอบทางานอย่างนั้น ถ้าอยาทำอะไรก็ทําให้เป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์ถ้าไม่เป็นหลักเป็นฐานไม่มีประโยชน์ก็ไม่คิดทําแล้วก็ถ้าลองทําแล้วก็ต้องทําถ้าไม่ทําก็ต้องเห็นถ้าจะต้องเข้าป่าต้องไปอยู่ตามถ้ำอยู่กบับนกกระกาเลยคะ่ะหมดเรื่องที่จะทําทเพราะในป่าถึงคิดยังไงก็ทํำไม่สาเร็จนะถึงคิดจะทําอยู่ในป่าก็ทำไม่สำเร็จเนี่ยต้องต้องปลีกตนเองออก ท น, นี้ถ้าจะไปตอนนี้ก็จะทําให้คนอื่นเป็นทุกข์กันอีกหลายหลายคนก็เห็นท่านจะต้องทนไปอีกหลายปีกว่าจะเรียบร้อยกว่าจะได้เป็นตัวของตัวเองบ้างเนี่ยก็เห็นท่านจะต้องต้องลําบากอีกหลายปีเพราะงานที่ก่อตั้งขึ้นนี้ถ้าหากว่าไม่เรียบร้อยอนาคตพระพุทธศาสนาก็น้าวิตก หน้าวิศกอโยุสมาว่าภายในสิบปีเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ทำไม่ดำเนินงานในด้านการศึกษาการเผยแพร่ให้ดีขึ้นพุทธศาสนาเราจะแยกอนาคตเราก็เห็นความเสื่อมอยู่ก็เลยต้องต้องทนลำบากไปก่อนฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ที่เห็นประโยชน์เนี่ยแต่มาจึงขอโนโมธนาด้วยที่ได้ช่วยกันมาถึงแค่นี้และก็คิดว่าคงจะช่วยกันให้สาเร็จ ตามที่เราได้ร่วมกันก่อร่างสร้างขึ้นมาไปตามวัตถุประสงค์อันนั้นส่วนในด้านวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทางหลักธรรมเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะทิ้งตมาเองที่นำเอาเรื่องต่างๆมาบรรยายนี่ก็ได้พิจารณาถึงประโยชน์ว่าในพุทธศาสนาเราเนี่ยมีอะไรดีบ้าง ที่เราควรจะทราบแลวก็เป็นประโยชน์ในด้านการปฏิบัติแกเราบ้างพอสมควรก็พยายามประมวลมาให้ถ้าหากว่าไม่ยากินเกินไปก็คิดว่าคงจะไม่ไม่ทำให้ผู้ฟังเกิดความหนักใจเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาแต่ว่าหลักธรรมที่ลึกก็พยายามทำให้ตื้นที่ยากพยายามทำให้ง่ายก็คงจะไม่ไม่เกินสติปัญญาของพวกเราจะเข้าใจ วันนี้ที่จะพูดถึงเรื่องข่มจิตในสมัยที่ควรขม่มท่านพุทธโคสอาจารย์ท่านได้อธิบายไว้ในประวิสุทธิมรักษ์นี้ว่าในคราวใดจิตเกิดความฟุ้งซ่านเพราะเป็นผู้ปรารกความเพียรมากเกินไปในการนั้นเราควรจะข่มจิตอย่างไร เรื่องจิตฟุ้งซ่านเนี่ยเราจะแก้ไขกันอย่างไรผู้ปฏิบัตินี่จะมีจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่ทำให้จิตเนี่ยฟุ้งซ่านคือเราจะต้องเข้าใจด้วยว่าการปฏิบัติทำนี่ไม่ใช่หมายความว่าพอเข้าปฏิบัติแล้วจิตก็จะสงบระหว่างปฏิบัติจะมีอยู่ระยะหนึ่งจิตของผู้ปฏิบัติฟุ้งซ่าน จิตของผู้ปฏิบัติจะฟุงสร้าง น, นี้เกิดมาจากเพราะผู้ปฏิบัติปรารบความเพียรมากเกินไปแล้วจิตตก็ฟุ้งซ่านการปรารบความเพียรมากเกินไปเป็นผลให้ธธกุทธัจจักเกิดเพียรในที่นี้หมายถึงเพียรปฏิบัติเช่นทําทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มีจิตคิดจะให้สําเร็จเร็วๆ เ, เ, เหมือนอย่างโยม พอเข้าปฏิบัติก็คิดเป็นพระโสดาบันในวันพรุ่งนี้แหละ ว, วันมะรืนนี้จะได้เป็นโสดาบันถ้าอย่างนี้แล้วก็ร้อยทั้งร้อยต้องฟงจานแน่ขนาดฟงจานถึงขนาดว่ามหาอัตมาบอกท่าอาจารย์ช่วยเขียนหนังสือรับรองหน่อยเถอะว่าผมเป็นพระโสดาบันแหละบอกอะไรเนยจะให้เซ็นหนังสือรับรองลงที่ชื่อรับรองว่าเป็นพระโสดาบันมีที่ไหนอย่างนี้ก็มีมาขอลายเซ็นรับรอง บอกโยมเนี่ยทำความเพียนมากไปและเมื่อทำความเพียนมากไปแล้วก็ทำให้จิตเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นเราจะแก้ไขกันยังไงถ้าหากว่าจิตเกิดความฟุ้งซ่านอย่างนี้ขึ้นมาการบอกว่าสมัยนีย้เราจะข่มจิตด้วยวิธีการอย่างไรจิตนั้นจึงจะไม่เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นบอกในสมัยที่โยคาวจรบุคคลปราบความเพียนในการปฏิบัติมาก จิตเกิดความฟุ้งซ่านในสมัยนั้นไม่ควรเจริญธรรมวิจยะสัมโพชชงไม่ควรเจริญวิยะสัมโพชชงเพราะว่าธรรมวิจยะก็ดีวิยะก็ดียิ่งจะทําให้จิตนี้ฟุ้งซ่านหนักขึ้นฉะนั้นเวลาจิตเกิดความฟุ้งซ่านเนี่ยจ้องต้องเจริญตัดสธิสัมโพธชง ปัสสธินี่แปลว่าความสงบความสงบนี้ท่าทั้งหลายคงจะเคยได้ยินถ้าหากว่าเรียนปรมาษ ธ, ธรรมก็จะไปพบในปริเฉตที่สองคือคำว่ากายปัสสธิจิตตะปัสสธิความสงบกายและความสงบจิตว่าการเจริญปัสสธิสัมโพชชงเนี่ยก็หมายความว่าถ้าจิตเกิดความฟุ้มซ้านขึ้น ในสมัยนั้นต้องเจริญธรรมวิอัปสธิสัมโพธชงการเจริญปัสสติสำโพธชงนี้เราจะเจริญอย่างไรปัสสธิสัมโพธชงจึงจะเกิดขึ้นปัสสติสัมโพชชงเนี่ยเป็นเป็นหลักปฏิบัติที่ทําให้เกิดได้ได้ยากเพราะว่าความสงบถ้าหากว่าเราไม่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้ว มันจะเกิดขึ้นแก่เราไม่ได้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติจึงจะได้รับความสงบอันนั้น <c oughs> ประสธิคือความสงบนี้จะเกิดขึ้นแก่บุคคลก็ต่อเมื่อบุคคล น, นั้นบุคคล น, นั้นมีความเข้าใจว่ากายประสติจิตรประสติเนี่ยมีอยู่ทั้งเป็นผู้ที่มีความใฝ่ใจในประสธิทั้งสองประการนั้น ซึ่งยังไม่เกิดเนี่ยให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เจริญยิ่งขึ้นท่านได้สแสดงถึงอาหารของปัสสติสามพจ์ชงนีไว้ว่วาอยู่ที่กายปัสสติและจิตตปปัสสติโดยเราปรารภใส่ใจต่อกายต่อจิตเหล่านียให้หนักความสงบก็จะเกิดขึ้นแก่เรา อาการเข้าไปสุธทีนี่ท่านทั้งหลายจะสังเกตได้จากบุคคลผู้ปฏิบัติในสมัยหนึ่งเราได้ยินบ่อยๆว่าเวลานั่งทาสมาธิลงไปแล้วนี่ผู้ปฏิบัติเนี่ยตัวแข็งตัวเนี่ยแข็งหมดไม่รู้สึกตัวเหมือนกับท่อนไม้มือที่วางนี่ก็แข็งมีลักษณะคล้ายๆ ก, ายกับอาการที่เกรง็ง ถ้าอยู่ริยาบทใดก็จะอยู่ริยาบทนั้นตลอดเวลาหรือบางคนนี่ไม่มีความรู้สึกอยู่อย่างเนี้ยถึงสองวันสามวันก็มนะีอาการที่ความสงบมีอยู่อย่างเนี้ยมากๆเกิดเป็นอาการแข็งขึ้นมาอย่างเนี้ยเรียกว่าปัจสถาิผู้นี้มีปัจสทิแก่กล้า ม, มากถึงกับตัวแข็งการนั่งตัวแข็งการนั่งไปจนไม่รู้สึกตัวนะ่ะไม่ใช่บรรลุมรรคผลนะ ยังไม่ใช่การบรรลุมรคผลเพราะการารู้มรคผลเนี่ยต้องรู้แม้แต่เราจะเข้าสู่พระสมมาบัตเช่นพราเรียญเจ้าเข้าสู่พระสมมาบัตก็ดีหรือเข้าสู่สัญญาเวทีต่านิโรธก็ดีต้องรู้ในขณะที่เข้าแต่ว่าอาการที่มีความสงบอย่างนี้เกิดขึ้นหรือปัสทธิเกิดขึ้นความรู้สึกนึกคิดไม่ได้เป็นอย่างนั้น แต่ิตเนี่ยมันจะรู้สึกดิ่งลงไปสู่อารมณ์ใดอารมณ์เพียงอารมณ์เดียวเมื่อดิ่งลงไปแล้วความรู้สึกอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงมันจะมีแต่ความสงบประณีตลงไปตามลาดับจนกระทั่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติเนี่ยหายไป ผ, ผู้ที่ปฏิบัตินั่นจะรู้สึกว่าในขณะนี้เรามีความสบายเหลือเกิน แล้วก็ไม่อยากจะขยับเคยื่อนไม่อยากจะลืมตาไม่อยากจะมาดำรงชีวิตอย่างเนี้ยอยู่เพราะเห็นว่าแม้เรานั่งอยู่อย่างนี้รู้สึกสบายสงบมากดังนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยจึงไม่ยอมเคลื่อนไหวไกายนั่งอยู่ริยาบทใดระยาบทหนึ่งก็จะนั่งอยู่ริยาบทนั้นตลอดเวลาและจิตที่จะดิ่งอยู่กับอารมณ์อันั้นความรู้สึกต่ออารมณ์ที่ปฏิบัติอยู่ก็จะประณีตลงตามลําดับ จนกระทั่งไม่รับรู้อารมณ์ทางปัญจทวารแต่จะดิ้งอยู่กับอารมณ์ที่ตนเองปฏิบัติอยู่ที่ละเอียดแสนละเอียดและอันเนี้ยบางคนก็ทำให้ตัวแข็งขึ้นนั่งแล้วก็ตัวแข็งไม่รู้สึกอะไรอันนี้เป็นเรื่องของปัจจัทธิความสงบความสงบอันนี้ดีไหมถ้าพูดถึงผลขั้นต่ำดี ดีตรงที่ว่าทำให้เราได้สงบเพียงสงบแค่ปะสสติเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราใน ม, มีความสุขมากมายทั้งเพียงนี้เพียงแค่ทำจิตให้สงบแค่เนี่ยมีความสุขถึงแค่นี้ถ้าหากว่าเราถอนอุปาทานได้จะเป็นสุขมากมายแค่ไหนผู้ปฏิบัติจะรู้สึกรู้สึกเป็นสุขและบางคนก็ยินดีพอใจในอารมณ์อย่างนี้ แล้วก็ติดอยู่เพียงแค่นี้พอยินดีพอใจหรือติดอยู่เพียงแค่นี้สามัญลักษณะก็ไม่ปรากฏความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของรูปนามเนี่ยก็ไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจนเพสุดท้ายการปฏิบัติก็ไปไม่ได้ไกลก็ติดอยู่เพียงแค่นี้เองติดอยู่แค่ปัจจุบันมีอยู่แต่ผู้ปฏิบัติอารมณ์ดีๆก็จะจะพบจะพบอารมณ์เช่นนี้อยู่เพราะว่า การปฏิบัติธรรมที่จะให้เกิดปะสทิสัมโพชงอันเนี้ยความสงบความสบายอันเนี้ยไม่ใช่เกิดขึ้นบ่อยครั้งบังคับให้เกิดก็ไม่ได้แต่ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างฉะนั้นผู้ที่ทำสมาธิท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าบางวันนี่นั่งไม่ได้เรื่องมางทีก็เสียเปล่าไปวันหนึ่งแต่บางวันนี่บางขณะนี่แหมใจสบายนั่งแล้วรู้สึกเป็นสุข เนี่ยเป็นเพราะอะไรอันนี้เราต้องศึกษาด้วยเพราะว่ า, าปัจจัยที่จะให้เกิดปสัสสธิสังโฆชงขึ้นนั้นท่านได้แสดงไว้ว่างมีอยู่เจ็ดประการด้วยกันที่เราได้นั่งสบายปฏิบัติจิตเกิดความสงบขึ้นเนี่ยเพราะเหตุเจ็ดประการนี้ประการที่หนึ่งเตโภชนะอันปราณี โภชนะอันประณีตหมายความว่าวันนั้นอ่ะอาหารที่เรารับประทานไปเป็นอาหารที่ประนีตเป็นโภชนะที่ดีประการที่สองฤดูสบายหรือว่าเลือดลมในกายีสบายร่างกายของเราก็าสบายเลือดลมเดินเป็นปกติดีอินิยาบทการยืนการเดินการนั่งการนอนก็สบายดีคล่องแคล่วดีแล้วเราก็จเจริญความเพียรพอเหมาะพอควร เราไม่ได้พบกับบุคคลที่มีแต่ความวุ่นวายเราเว้นจากคนเหล่านี้เราพบแต่คนที่มีกายสงบทั้งมีจิตน้อมไปสู่คุณธรรมอันนั้นอารมณ์ที่เราบริกรรมอยู่ก็ติดต่อกันเป็นสายดีวันนั้นน่ะปฏิบัติได้ผลและก็ท่านทั้งหลายจะรู้สึกสงบเพรานั่งไปไม่นานจิตเนี่ยจะสงบพอจิตสงบระนีดขึ้นก็จะรู้สึกเป็นสุขขึ้น แล้วอันเนี้ยจะระงับทุกขเวทนาต่างๆได้ทั้งหมดเพราะเมื่อปสัสส ธ, ธิเกิดแล้วนี่โดยปกติการจเจริญสมาธิเนี่ยเรานั่งไปสักสิบห้านาทีจะรู้สึกปวดปวดตามร่างกายตามกระดูกเนี่ยจะรู้สึกปวดขึ้นมาแต่พอปสัสสติเกิดขึ้นไอความเจ็บปวดเหล่านี้หายไปเราไม่รู้สึกปวดจะรู้สึกว่าสบายเรียบทก็เป็นหนึ่งกายนี่สงบแล้วเรียกว่ากา ย, ยาปสัสสติ จิตของเราก็สงบอีกเป็นจิตปัพสธิความสงบอันนี้ก็จะแก่กล้าขึ้นและก็ทำให้เรารู้สึกเป็นสุขในวันนั้นหรือในขณะที่เราปฏิบัตินั้นจะเป็นชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงก็ตา่างว่าถ้ากับว่าเราเนี่ยไ ด, ได้เสพความสุขอย่างเต็มที่ในระยะเวลาสามชั่วโมงซึ่งคิดว่าคงไม่มีความสุขอะไรที่มนุษย์จะเสพได้ถึงสามชั่วโมง พูดถึงมนุ ธ, ธรรมดาทั่วไปจะเสพความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีอายุยืนถึงสามชั่วโมงตลอดไปนี่ไม่ได้แม้แต่ท่านทั้งหลายจะไปดูภาพยนตร์รอบหนึ่งสองชั่วโมงหรือดูการละเล่นถึงสามชั่วโมงท่านก็ไม่ใช่จะมีความสุขตลอดสามชั่วโมงที่ท่านดูการละเล่นหรือเราจะหาความสุขในทางกินก็คงจะกินไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงอิ่มแล้วนี่ถึงยังไงก็อิ่มเดียว อาหารจะอร่อยแค่ไหนก็ไม่สนุกแล้วถึงจะกินอีกก็ไม่สนุกอย่างมากก็ชั่วโมงหนึ่งเพราะอิ่มแล้วก็แล้วกันก็ก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าดีหรือไม่ดีมันก็อิ่มหนึ่งอิ่มเดียวแล้วก็ต่อไปอีกมันก็จะกินให้มากกว่านั้นก็ไม่ได้ถึงจะมีสตางค์สักกี่ล้านไปซื้อมันก็กินไม่ไหวกินได้เพียงแค่นั้นแหละ เพราะสุดท้ายเราก็มีความสุขเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงและยิ่งความสุขอย่างอื่นคิดว่ายิ่งจะสั้นมากขึ้นกว่านั้นคงยังไม่ถึงชั่วโมงที่มีความสุขได้เต็มที่แต่ว่าผู้ทุกปฏิบัติสมาธิเนี่ยมีความสุขได้ยาวถึงสามชั่วโมงนี่อย่างน้อยที่สุดแต่ผู้ที่ทำประสติเองนี้ได้อาจจะถึงสามวันที่เป็นความสุกติดต่อกันสามวัน มีว้ทัททั้งหลายลองคิดดูว่ามีไหมที่ความสุขจะติดต่อยืนยาวอย่างนี้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่จะอยู่ในภาวะเช่นใดก็าตามมีบ้างไหมที่เราจะเสพความสุขได้อย่างเต็มที่โดยที่เป็นความสุขจริงๆและกะถาวรถึงหนึ่งวันหรือถึงสามชั่วโมง้าชั่วโมงเราหายากเพราะว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราจะ จะดิ้นลนไปทางไหนก็ตามเราก็ต้องการความสุขอย่างเนี้ที่เราไปเที่ยววันสอ ก, สอ ก, ส, อกสอกก็ต้องการความสุขอย่างเนี้ให้มันนานๆหน่อยให้มันถาวรหน่อยแค่นี้เท่านั้นน่ะแล้วเราก็ได้กันเพียงประเดี๋ยวประดาวเท่า น, นั้นเองไม่ใช่ความสุขที่ถาวร อ, อะไรแต่ความสงบทางกายกับทางใจเนี่ยเป็นความสุขที่ถาวรนฉะนั้นท่านจึงบอกว่านาัตถิสันติประลังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มี หมายถึงว่าถ้าเราทําจิตให้สงบละเป็นสุขอย่างยิ่งฉะนั้นวิธีที่เราจะทําจิตให้สงบเนี่ยจึงเป็นวิธีที่แสวงหาความสุขที่ถาวรได้ยืดยาวกว่าความสุขในด้านอื่นๆซึ่งความสุขชนิดนี้ไม่ต้องฟิงเปลืองอะไรมากไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรเป็นแต่เพียงว่าเราเนี่ยรู้จักปฏิบัติจิตของเราเราก็ได้ความสุขอันนี้แล้วไม่ต้องไปเอาปัจจัยอะไรมาปรุงแต่งมาก ไม่ต้องไปขวนขวายภายนอกแต่ว่าขวนขวายในตัวเราเนี่ยเราก็จะพบความสุขอันนี้โดยที่ไม่ต้องไปขวนขวายมากนักฉะนั้นการที่จะให้ปรสสติสำพโยชงเกิดก็ต้องอาศัยปัจจัยทั้งเจ็ดประการโดยผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็มีปัจจัยส่วนประกอบทั้งเจ็ดประการเนี่ยพร้อมบริบูรณ์แล้วเราก็ได้ความสงบขึ้นมาเป็นปสัสสติ ทั้งที่เป็นกายปสัสสธิและจิตตัะปะสัสสธิความสงบอันประนีตเช่นนี้บางครั้งผู้ที่ปฏิบัติจะผ่านพบอารมณ์อีกชนิดหนึ่งซึ่งก็จักว่าเป็นปสัสสธิอารมณ์ชนิดนี้หมายถึงนิมิตที่กำหนดหรืออารมณ์ที่เรากำหนดอยู่บริกรรมอยู่เมื่อจิตประนีตขึ้น อารมณ์เช่นนั้นกัประนิตามประนิตามโดยทั้งจิตมีความละเอียดเช่นเวลาปฏิบัติไปแล้วจิตเป็นสมาธิสูงขึ้นบางทีจะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยหายไปไม่มีร่างกายคล้ายๆกับไม่มีตัวแต่จะมีความรู้สึกอันนิดหนึ่งรอะอยู่ในความเวิงวางของอากาศเป็นความรู้สึกอยู่นิดเดียว รู้สึกต่อารมณ์นั้นแล้วก็ไม่ได้บริกรรมไม่ได้เห็นว่ามันเป็นรูปเป็นนามยังไงมันเกิดดับยังไงไม่เห็นเห็นอยู่แต่จุดจุดเดียวดิ่งอยู่ในอารมณ์เช่นนั้น่ะแต่กายในยรู้สึกว่าไม่มีอยู่ในภาวะเช่นนั้นน่ะผู้ปฏิบัติก็รู้สึกเป็นสุขว่าแหมดีเหลือเกินคือพอกายหายไปเหลือความรู้สึกนิดหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเบารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นสุขเพราะว่าในในชีวิตปกติธรรมดานี่ เราเนี่ยเป็นทุกข์อยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องเบญจขันธ์เรื่องการมีรูปร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์ยิ่งถ้ามีอุปาทานยึดถือมากทุกข์มันยิ่งมากขึ้นยึดถือตัวเราก็เป็นทุกข์ไปยึดถือตัวคนอื่นเขาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์มากขึ้นแต่พอปฏิบัติไปแล้วตัวหายไปเหลือแต่ความรู้สึกนิดนรอยอยู่เวงวางในความว่างเปล่าบางคน เข้าใจผิดวิจิตว่าบรรลุมรรคผลไปแล้วว่าอ๋ออันนี้เองอที่เป็นอนัตตาคือไม่มีตัวไม่มีตนบางคนไปเหมาเอาว่าอารมณ์เช่นเนี่ยเป็นอนัตตายังไม่ใช่อนัตตาแล้วก็ไม่ใช่มรรคผลแต่ย่างใดเป็นแต่เพียงอารมณ์ขั้นต่ำๆเท่านั้นเองแค่ปัสสติเท่านั้นแต่ว่าในขณะเนี้ยเรารู้สึกว่าเราเนี่ยสบายเป็นสุขเพราะว่ามันมีแต่ความรู้สึกอยู่นิดเดียว อันนี้ผู้ที่ปฏิบัติเคยผ่านอารมณ์เช่นเนี้คงจะเข้าใจแต่ว่าที่ยังไม่ถึงขั้นนี้ก็คงจะเข้าใจยากเพราะว่าเป็นอารมณ์ทางปฏิบัติเป็นสภาวะทางปฏิบัติต้องต้องทำมาแล้วก็เราได้ผ่านพบอารมณ์เช่นนี้จึงจะเข้าใจกันได้บางท่านที่ปฏิบัติดีๆก็จะพบแลวก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยสบายที่สุดนี่เป็นบบเพียงแค่ปรสติถึงขนาดที่ว่า ร่างกายมันหายไปมีแต่ความรู้สึกอยู่นิดเดียวนะเรายัางเป็นสุขถึงเพียงนี้ถ้าหากว่า น, นามรูปนี้มันดับไปไม่เกิดอีกจะเป็นสุขแค่ไหนอันนั้นเป็นเรื่องของพระ น, นิพพานผู้ที่บรรลุพระนิพพานเท่านั้นนะจึงจะทราบเรายังไม่บรรลุเราไม่ทราบแต่ว่าจะเป็นสุขแค่ไหนเนี่ยก็พอที่จะเทียบได้ว่าเพียงแค่เพียงแค่นี้เราปฏิบัติแค่นี้เรายัางมีความสุขถึงเพียงนี้ถ้าเราปฏิบัติถึงแค่นั้นจะมีความสุขแค่ไหน ฉันั้นการที่จะสแสวงหาความสุขอันแท้จริงนั้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เราจะพบได้ก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะก็คือต้องเจริญสมาธิต้องเจริญวิปัสสนาเราจึงจะพบความสุขอย่างนี้ในปัจจุบันที่เรามาศึกษาเนี่ยเพื่อที่จะหาแนวทางว่าอะไรเป็นอะไรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเข้าสู่จุดจุดนี้ได้การ ศึกษาในสมาธินิเทศนี้ก็เหมือนกันจุดใหญ่ของเราจะอยู่ตรงที่จะไปสู่การปฏิบัติไปสู่ความสงบไปสู่ปัญญาความรู้แจ้งหรือไปสู่สมาธิปัญญาโดยเฉพาะอันนี้เป็นแต่เพียงให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมื่อเราปฏิบัติถึงขั้นปสัสท ธ, ธิสัมโพชฌงนี้แล้วอารมณ์หรืออาการของปสัสทธิเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างนี้ แล้วก็อย่าสมคัญผิดว่าเนี่ยคือมรรคผลยังไม่ใช่มรรคผลเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติถ้าหากว่าไม่มีหลักปริยัติอยู่บ้างก็จะเกิดความสมคัญผิดว่านี่มรรคผลที่ว่าไม่ใช่มรรคผลเนี่ยเพราะว่าอารมณ์เช่นนี้เราบังคับเขาไม่ได้อย่างหนึ่งและอารมณ์เช่นนี้เสื่อมได้ถ้าเราจะปฏิบัติให้เกิดอีกในขณะต่อไปว่าขอให้เกิดอีกเนี่ยมันจะไม่เกิด ถ้าปฏิบัติไม่ดีก็เสื่อมเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่มรรคผลถ้ามรรคผลแล้วไม่เสื่อมแต่รมณ์เช่นนี้เสื่อมได้ในภาวะที่เราปฏิบัติเช่นนั้นเราสมงบแต่เมื่อไม่ได้ไปสู่ภาวะเช่นนั้นแล้วจิตของเราอาจจะฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกก็ได้อุท ธ, ธจักก็เกิดใหม่ได้อีกเหมือนกันถ้าเราบังเพลินความเพียนมากเกินไปฉะนั้นในอั ป, ปนาโกศนข้อ น, นี้ถ้าหากว่าจิตเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นเราควรจะข่มจิตอย่างไร ก็ต้องเอาปัสสติสัมโพธชงเนี่ยมาพรมซึ่งปัสสติเนี่ยตรงกันข้ามกับขุท ธ, ธัตจักขุท ธ, ธัต จ, จักคือความฟุ้งซ่านปสสิคือความสงบความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเพราะปรารจกความเพียรมากเกินไปฉะนั้นเมื่อเราทําปัสสติเกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถค่มจิตที่ฟุ้งซ่านเหล่านี้ได้เหมือนกับบางขณะที่จิตของเราเนี่ยมีอารมณ์อกุศลเกิดขึ้นบางครั้งความโกรธเกิดขึ้น เราจะข่มจิตอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะว่าจิตอกุศนเกิดก็ต้องอกุศนมาข่มวิธีที่จะหยิบเอาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาข่มเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าใช้ธรรมะข้อไหนถ้าหากว่าหยิบธรรมะไม่ถูกก็แก้ไม่หายแก้ไม่ตกถ้าหยิบเอามาใช้ถูกก็แก้ตกเราเหมือนกับการแก้โรคเหมือนกันถ้าหากว่าใช้ยาผิดโรคก็ไม่หายแต่ใช้ยาถูกโรคก็หาย เนี่ยการปฏิบัติธรรมนั่นจะสังเกตได้ว่าแม้กุศลมังยอย่างที่เราปฏิบัติอยู่การกระทำนั้นก็เป็นกุศลแต่ว่าก็กลับกลายเป็นอกุศลได้เหมือนผู้ที่ปฏิบัติและก็เกิดฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้ารู้ไม่เท่าทันแล้วความฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดอกุศลได้และวุติชัยการปฏิบัติไม่ได้ผลเราจะพบสาวผู้ชนหลายท่านเด็กกันที่ปฏิบัติยังไม่ไปถึงไหนเลยแต่ก็เป็นด้วยความฟุ้งซ่านมากมาย บางคนก็ทำให้ธรรมะแตกฉานขึ้นแม้อยากจะคุยธรรมะอยากจะพูดธรรมะเลยมาเป็นคนคุยเป็นคนพูดฉิบไม่ใช่คนปฏิบัติพสุดท้ายพูดเก่งแต่ปฏิบัติไม่เก่งอย่างนี้ก็มีอยู่มากเพราะว่าเมื่อจิดฟุ้งซ่านเช่นนี้แล้วไม่รู้จะข่มอย่างไรแก้ไขไม่ถูกผลสุดท้ายก็เลยทำให้การปฏิบัติเนี่ยไม่ไม่ไปได้ไกลเท่าที่ควรฉะนั้น